แบบสำคัญผิดคิดว่าภาวะของจิตบางอย่างเฉียดมักเฉียดผลก็มีตัวความรู้สึกจึงไม่ใช่เครื่องประกันที่ดีตรงข้ามอาจลวงเราให้ไข้เขวมัวหลงเมากิเลสรูปแบบใหม่ก็ได้เราจึงควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไว้ตรวจสอบคุณภาพของจิตว่าพร้อมบรรลุมักผลจริงและเป็นหลักเกณฑ์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 และไม่ใช่อะไรที่สูงส่งพิสดารเกินจินตนาการเอาแค่ง่ายๆอย่างเช่นตอนนี้กายนั่งอยู่รู้ไม่ว่ากายนั่งอยู่ถ้ารู้ก็นั่นแหละปากทางไปนิพพานอย่างไรก็ตามสเตชนิดที่พร้อมจะพาไปถึงมรรคถึงผลได้จริงนั้นหมายถึงรู้อยู่เรื่อยเปลี่ยนท่านั่งก็รู้เปลี่ยนจากสบายเป็นอึดอัด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 ยิ่งไปกว่านั้นเราต้องทราบด้วยว่าถ้าสติเป็นอัตโนมัติจริงก็ต้องไม่ใช่เค้นกำลังเพื่อเพ่งเล็งอย่างหนักหน่วงเพราะยิ่งตั้งใจออกแรงเพ่งมากขึ้นเท่าไหร่ตัวตนและมโนภาพแบบนักเพ่งก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นเท่านั้นคำว่าเป็นอัตโนมัติในที่นี้ต้องหมายถึงสติที่มาเองเป็นไปเองตามธรรมชาติไม่มีการฝืน ไม่มีการพยายามเกินกว่ากำลังที่มีอยู่ถ้าทำความเข้าใจกันเนื่นๆตั้งแต่เริ่มฝึกเจริญสติสติก็จะเป็นอัตโนมัติได้ไม่ยากเช่นสังเกตดูจะทราบว่าเราออกแรงเพียงน้อยนิดก็สามารถรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกได้แล้วไม่ใช่ต้องฝืนจดจ้องลมหายใจซิ้ย ม, มากมาย ยิ่งออกแรงกำหนดรู้น้อยลงเท่าไรลมหายใจก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้นด้นดวยซ้าการออกแรงเพียงน้อยแต่สามารถรู้ได้อย่างต่อเนื่องกับทั้งไม่เกี่ยงอนว่าต้องเป็นเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชอบมีอะไรให้รู้ก็รู้จะนำไปสู่การมีสติแบบเบาแรงสบายกายสบายใจและพัฒนาเป็นความเคยชิน ที่จะรู้ไปทุกสิ่งที่กำลังปรากฏเด่นไม่ว่าลมหายใจบุริยาบทสุขทุกสภาพจิตตลอดจนสภาวะธรรมหยาบและละเอียดทั้งปวงกล่าวยังเจาะจงสติที่แท้ต้องรู้ตามที่ปรากฏไม่ใช่รู้แค่สิ่งที่หยาบให้ปรากฏหลายคนจะเกิดสติก็ต่อเมื่อใจสบายโปร่งโล่ง แต่ตอนอึดอัดคัดแน่นจะไม่ยอมรับและพยายามเรียกร้องหาภาวะที่ดีขึ้นแบบทันทีทันใดเดี๋ยวนั้นอย่างนี้เรียกรู้ตามอยากไม่ใช่รู้ตามจริงสรุปคือถ้าเจริญสติมาเรื่อยๆก็จะไม่เป็นผู้หลงลือเหม่อลอยไม่ออกแรงเพ่งเคร่งเครียด และไม่เรียกร้องเอาแต่สภาพดีๆที่ถูกใจแต่จะสะสมสติอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเป็นอัตโนมัติขึ้นมาเองในวันหนึ่งและเมื่อสติเป็นอัตโนมัติแล้วก็นับว่าเราได้หัวหน้าขบวนนำความพร้อมบรรลุมักผลข้ออื่นๆตามมาเป็นลำดับ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 ข้อนี้บอกเราว่าสติที่ถูกย่อมนำมาซึ่งปัญญาด้วยกล่าวคือเมื่อมีสติย่อมเอาภาวะตรงหน้าเป็นตัวตั้งเสมอไม่ว่าเป็นกายหรือเป็นใจไม่ว่าเป็นดีหรือเป็นร้ายกับทั้งเท่าทันไม่ว่าตอนเกิดหรือตอนดับซึ่งก็พาให้เกิดปัญญารู้ว่าภาวะตรงหน้าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนขณะที่สติชนิด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 จัดว่าเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปหลายเท่าแต่ก็ไม่มีใครบรรลุมรคผลเพียงเพราะเล่นยิมนาสติกเก่งทั้งนี้เพราะจิตยังถูกหลอกว่ามีตัวเราขยับหรือกายเรายืดหยุ่นว่องไวเหนือคนอื่นอยู่เสมอสำหรับผู้ฝึกเจริญสติมาตามลำดับย่อมผ่านการเห็นว่าลมหายใจไม่เที่ยง อุรยาบทไม่เที่ยงกลายเป็นของศพกะปรกกลายเป็นธาตุและกลายเป็นของศูนไม่มีบุคคลไม่มีตัวใครอยู่ในกายนี้ดังนั้นถ้าสิ่งที่กำลังปรากฏเด่นคือการขยับกายเคลื่อนไหวกับทั้งมีสติรู้การขยับกายนั้นโดยอัตโนมัติก็จะเกิดปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเห็นลมหายใจไม่เที่ยง เห็นอุรยาบทไม่เที่ยงหรือเห็นความไม่มีบุคคลอยู่ในกายนี้นั่นเองเป็นเหตุให้เห็นตามจริงว่าไม่มีเราขยับมีแต่าธาตุขันขยับการมีทั้งสติและปัญญาย่อมทำให้นักเจริญสติไม่หลงยึดเอาภาวะใดภาวะหนึ่งที่ตนชอบใจมาเป็นเกณฑ์วัดว่าตนใกล้จะถึงมรรคผล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 แต่ราคะยังไม่หายไปเพียงด้วยการตั้งสติรู้นั้นก็เปลี่ยนแผนรับมือกิเลสเสียใหม่อาจระลึกถึงก้อนสลเลดในลำคอซึ่งทั้งลื่นทั้งเหนียวทั้งเหม็นหากเชี่ยวชาญในการนึกรู้สึกถึงความสกปรกได้ชัดก็ย่อมถอนราคะได้ทันสถานการณ์นี่นับเป็นตัวอย่างของปัญญาพิจารณาสิ่งถูกรู้เพื่อให้เกิดธรรมอันควร 3. ม, มีความเพียรพิจารณาธรรมเมื่อปัญญาในการเห็นสภาวะธรรมต่างๆเกิดขึ้นเต็มที่สิ่งที่จะตามมาเป็นธรรมดาคือความเพียรไม่ย่อหย่อนรอบคบแล้วว่าหลักสำคัญของการเจริญสติมีอยู่นิดเดียวนั่นคือมีอะไรให้ดูก็ดูให้หมดไม่ใช่เลือกดูแต่ที่ดีๆ หรือที่พอใจจะดูท่าเดียวพอเกิดปัญญาเห็นจริงว่าควรดูให้หมดเราจะไม่มีข้ออ้างในการเว้นสติแม้แต่ขณะที่รู้ได้น้อยที่สุดอย่างเช่นยามขี้เกียจยามเหมย์ยามฟุง้งซ่านเราก็ถูกฝึกให้รู้สึกตัวว่ากําลังขี้เกียจกําลังเมยอกําลังฟุง้งซ่านโดยเห็นว่า ภาวะเหล่านั้นเป็นสิ่งถูกรู้ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวเราเกิดได้ก็ดับได้ถ้ามีภาวะอันเป็นปฏิปักษ์มาแทนที่นักเจริญสติมักปักใจเชื่อผิดๆนึกว่าความเพียรหมายถึงการย่ำทำอะไรซ้ำๆอยู่กับที่ให้ต่อเนื่องนานๆเช่นการนั่งสมาธิหลายๆชั่วโมงโดยไม่พักนั้น เป็นตัววัดว่าเพียรพยายามแก่กล้าทั้งที่ระหว่างนั่งหลับตาอาจเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านจับอะไรไม่ติดจัดเป็นความเพียนที่สูญเปล่าไม่เกื้อกูลให้สติเจริญขึ้นเลยผลของการเพียร น, นานแบบผิดๆนั้นคือการเหนื่อยหน่ายเข็ดขยาดท้อแท้เพราะไม่เห็นความก้าวหน้าจึงไม่อยากบำเพินเพียนอีกเลย แต่หากความเพียรยืนพื้นอยู่บนการพิจารณาธรรมโดยไม่เกี่ยงงอนว่าเป็นภาวะใดเช่นขณะนี้รู้สึกพร่าเลือนไม่พร้อมจะตั้งสติก็ทำความรู้จักอาการพร่าเลือนสักนิดหนึ่งดูว่ามันมีสภาพให้รู้สึกอย่างไรแล้วจะแปรไปเป็นแบบไหนอีกเท่านี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเพียรแล้ว ผู้มีความเพียรพิจารณาทุกสภาวะธรรมยอมราเริงในการเห็นสภาวะต่างๆในขอบเขตกายใจว่าเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปจริงๆทุกสภาพแต่ผู้เพียรจะเอาแต่สภาวะธรรมที่น่าพอใจยอมหดหู่แบบไม่รู้ตัวรอบพบกับความล้มเหลวไม่ได้อย่างใจร่ำไป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 กับทั้งมิใช่ความปราบปลืม้มกับการนึกว่าจะได้มรรคผลรํไรในอนาคตอันใกล้เพราะใจเราจะพออยู่กับสติที่มาถึงแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มรรคผลที่ยังมาไม่ถึงเบื้องหน้าความเท่าทันรมจะทำให้เราตระหนักว่าความอิ่มที่แท้นั้นไม่ใช่กายได้กินมากเท่าใดกับทั้ง ไม่ใช่ใจสมอยากเพียงไหนแต่เป็นความพอเป็นความหยุดอยากเป็นการยุติอาการข่อยคว้าเหยื่อล่อภายนอกทั้งสิ้นทั้งปวงถึงขั้นนี้เราจะมีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกอีกแบบหนึ่งคือเป็นผู้เห็นทรัพย์ภายในน่าปลื้มใจกว่าทรัพย์ภายนอกยิ่งจิตเป็นอิสระจากการเกาะเกี่ยวเท่าไหร่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 อยากตีตัวออกห่างจากกิเลสและเมื่อจิตไม่เอากิเลสกิเลสย่อมปรากฏเป็นของอื่นเป็นของแปลกปลอมจากสติผู้รู้ผู้เห็นยากที่จะกดดันกายใจกระสับกระส่ายได้อีกเครื่องชี้ว่าเรามาถึงความสงบระงับจริงคือการปราศจากแรงดิ้นใดๆลองสังเกตดูง่ายๆ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 แสดงความไม่เที่ยงด้วยการระงับไปเองอย่างนี้จึงเรียกว่าของจริงเพราะแม้แต่แรงดิ้นที่จะสร้างความสงบก็ไม่มี 6. มีความตั้งมัน่นเมื่อจิตระงับความกระเพื่อมไหว เหมือนแผ่นน้ํากว้างใหญ่สงบราบคาบจากใจกลางถึงขอบฝั่งสิ่งที่เกิดตามมาเป็นธรรมดาคือความตั้งมั่นแห่งจิตและไม่ใช่ตั้งมันทื่อๆแบบไม่รู้อะไรเลยแต่เป็นความตั้งมั่นอยู่อย่างรู้เห็นทราบว่ากายใจสักแต่เป็นสภาวะไร้บุคคลเกิดภาวะหนึ่งแล้วต้องเสื่อมจากภาวะนั้นเป็นธรรมดา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 เครื่องกระทบภายนอกน้อยใหญ่ไม่มีอิทธิพลพอจะทำให้หวั่นไหวเสียการทรงตัวลดระดับความสามารถรับรู้ตามจริงเลย 7. มีความเป็นกลางวางเฉย เมื่อจิตตั้งมั่นจนความยินดียินร้ายทั้งหลายหายเงียบสิ่งที่เกิดตามมาเป็นธรรมดาคือความรับรู้อย่างเป็นกลางวางเฉยอะไรอะไรสักแต่เป็นสภาวะธรรมสักแต่เป็นนิมิตหลอกใจไม่ใช่บุคคลไม่ควรเก็บมาเป็นอารมณ์ควรรับรู้อยู่เงียบๆถึงการผ่านมาแล้วจากไปของสรรพสิ่ง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 ก็คือปล่อยวางถึงขีดสุดนั่นเองและการปล่อยวางถึงขีดสุดนั่นเองเป็นคุณภาพของจิตที่พร้อมจะถึงฌานในแบบมรรคผลเมื่อถึงความพร้อมบรรลุมรรคผลจิตจะคล้ายฟองสบู่ที่พร้อมแตกตัวหายวับโดยไม่ใยดีกับการมีการเป็นของตน มโนภาพบุคคลเหลือน้อยเต็มทีและนิมิตแสดงความไม่ใช่ตัวตนของกายใจก็ปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆเราจเจริญสติมาทั้งหมดก็เพื่อสร้างเหตุให้เกิดไฟล้างผานกิเลสและเพื่อดูว่าจิตพร้อมจะลุกโพลงเป็นไฟล้างกิเลสไหมก็ดูได้จากการมีสติรู้เฉพาะหน้า มีความเพียรพิจารณาธรรมจนอิ่มใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิรู้เห็นกายใจอย่างเป็นกลางวางเฉยนั่นเอง เรียงแรกแล่มันดาลปิติเ อ, อ่ยผลพันนาเป็นลีลาผาใจไอหย็นระงับนิ่งทุกๆสิ่งรอบราย ที่ร่มสินความไร้มนทินอันอยากเรียบปานความสลาย